พุทธัสสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะราย SM 106 ในวันนี้อุ้ยวันศุกร์ที่ 13 ค่ะเดี๋ยวเราไป เป็นวันไหนก็ไม่ทราบนะคะแต่ดิฉันได้ยินแต่ว่าถ้าเป็นพวก วันวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์ที่เท่าไหร่ที่ไม่ดี นะคือเมื่อไหร่ก็ตามวันไหนวันนั้นน่ะที่ถ้าเรามีความ นะทํางานมงคลวันนั้นแหละดีแน่นอนเพราะว่าๆเรื่องที่เป็นกุศลทั้งทางความคิดการพูดจาๆคือดู เก็บดีพูดดีทําดีกันถูกเพลงนะคะแล้วก็เรื่องนี้ว่าไอ้คุณคุณนีบฉันไปเช็คหมอดูมาแล้ววัน ขยายไปขยายไปเออมันก็ดีขึ้นมาเออมันก็ดีจริงเนี่ยเอ้ยหมอดูดูแม่นเว้ยอ่ะแต่มันเป็นเพราะว่า เปรยละๆเหตุของมันจริงๆคืออะไรก็ 13 <ใช>ของท่านฝั่งตะวันตกเลข 9 นะฟังเอ่ออาตมาก็เคย 9 เนี่ยไม่เลข 9 นี่คนจีนก็ 8 เนี่ยเป็นเลข อย่างดิฉันเองเนี่ยชอบเลข 4 อืมเพราะมันจำง่ายเรียว 4 เรียวอืมอยู่ที่คิดพูดทำถูกต้องดีฤกจะยามจะดีหมดใช่ ถูกต้องถูกต้องแปลว่าอย่างนี้แล้วนะคะอ่าท่านก็สามารถที่อืมแต่ดิฉันไม่เวลานั้นก็ลําบากเหมือนๆส่วนรวมกันด้วยอ่ะนะปัจจุบันให้ดี คือพยายามจะบอกทุกคนว่าอยากจะให้ชีวิตมันดี <คะ. S 1> นะมีเทวดามาถามธรรมะหมวดนี้แหละว่าชีวิตมันจะเป็น 38 ประการนะ ยืนเรียนของมงคล 38 ประการเอตมังคละมุตตมังใช่ๆๆอีกอันนึงที่เนี่ยก็คือการฟังธรรมตามการ แต่ความหมายที่พระศาสดาหมายถึงในที่นี้ค่ะอ๋อก็ต้องให้ค่ะแหมตําราอ๋อแต่ๆมั้ยคะ บทสวดมนต์ถ้าเป็นภาษาแบบเนี้ยอืมต้องไปท่องมานะคะว่าจุดล่างกับกลมๆข้างบนเนี่ยอืมๆกํากับที่อักษรไหนและเป็นสระอะไรค่ะใช่เอ่ออีกอัน ถ้าสมมุติว่าๆครบทั้ง 38 ผู้สั้นได้ได้อยู่ค่ะอ่าพูดถึงการไม่คบคนพาลคืออืมในในความเป็นสมานะ แต่ข้อที่ 3 คือการบูชาบุคคลที่ควรบูชานะเช่นการบูชาพระอริยเจ้าการบูชาบุคคลที่ทำความดีอันนี้เราควรค่ะบางคนนี่บอกว่า จะเป็นอมงคลเลยมั้ยคะท่านค่ะเอ่อคนที่มีนายของเราเนี่ยนี่กําลังพูดที่มีอํานาจเป็นเจ้านายของเราบูชาเค้านะบูชาด้วยการทําหน้าที่ของเราอย่างดีสมมุติเอาเป็นลูกน้องเราก็ทํางานแข็งอันนี้ถือว่าเป็นบุญกาลบูชา ถิ่นที่สมควรในการที่จะมีเพื่อนดีนะมีคําสอนที่ถูกต้องนะข้อต่อไปคือการสร้าง<ใช> อ่ะข้อถัดมาเรื่องที่จะทําให้ชีวิตเนี่ยเป็นมงคลทํา จำเป็นเอาเป็นพระผู้สูงได้อ่าข้อถัดมาพูดถึงเรื่องของการ ไม่ใช่ว่าศิลปะในการวาดรูปอย่างเดียวนะแต่ศิลปะในการทําอื่นๆนะเช่นวิศวกรรมเอ่อหมอพวกนี้เป็นศิลปะ เช่นการพูดจาที่อ่อนน้อมการพูดจา 3 ข้อถัดมาก็จะพูดถึงการที่เราดูแลบุคคลรอบตัว ไอ้อันหนึ่งที่ได้พูดไปเมื่อสู่คือการทํางานไม่ขังคือเรื่องของการก็ ก็ถูกอยู่นะดื่มได้แต่ทีนี้ไอ้การดื่มน้ําเมาเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะคือประมาทยังไงนะเพราะว่า ในในที่นี้พระเจ้าจึงบอกว่าให้มีการสํารวมตรงนี้นะให้ระวังตรงนี้ค่ะก็ก็คือไม่ใช่หมายความว่าให้คุณ อ่อนนุ่มอ่อนโยนควรแก่การงานนั่นคือพูด นะทําจิตให้เกษมขึ้น 38 ประการอ่าค่ะก็เรียกว่าอ่าท่านทั้งหลายถ้าฟัง<ใช> กัลยามงคล 38 ประการหลังจากที่ท่านไปบุญได้แนะนําไปแล้วเนี่ยท่านสามารถไปเปิดหาดูเองต่อก็ได้เราๆที่พูด นะถ้าเราทําใจของเราให้เป็นแบบนี้ได้ เพื่อความเจริญ 38 ประการพระพุทธองค์ได้แสดงเอา <Okay. S 1>